จเจริญพรท่านสาธุชนผู้จเจริญทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กันยายนพุทธศักราช2545เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรวันสังธรรมเป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตใจแน่วแน่ มั่นคงกับพระพุทธศาสนาได้มาที่วัดเพื่อประกอบศาสนากิจมอันเป็นกิรที่พึงกระทําอย่างยิ่งเพราะจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านทั้งหลายการที่เราจะรับประโยชน์อันสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้นในเบื้องต้นเราต้องรู้จักว่าพระพุทธศาสนานั้น มีหน้าที่อะไรและเรามีหน้าที่อะไรกับพระพุทธศาสนาเราต้องรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาคือเป็นสถาบันหรือมีสถานภาพอย่างไรสถานภาพของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นก็คือเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ เพราะคำว่าพุทธนี่ก็แปลว่าผู้รู้พระพุทธเจ้าก่อนที่ทรงจะตัดสรู้ก็ไม่ได้ทรงเรียกพระพุทธองค์เองว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่หลังจากที่ได้ตัดสรู้ธรรมแล้วจึงประกาศตนว่าเป็นอรหันตัปสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมดังนั้นศาสนาพุทธนี้จึงเป็นสถาบันการศึกษาเป็นที่ให้ความรู้ และผู้ที่มามีความสัมพันธ์คือมีความเรื่มสายศรัท ธ, ธาอย่างพุทธศาสนิกชนอย่างเราอย่างท่านนี้ mm. ก็เปรียบเหมือนกับเป็นนักเรียน mm. นักศึกษา mm. เป็นผู้ที่มารับความรู้จากพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเราอาจจะปฏิบัติไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง แล้วไม่ได้นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แท้จริงผลประโยชน์ที่ดีที่สูงสุดของพระพุทธศาสนา mm hmm. เช่นถ้าเราไปคิดว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเป็นสารไวส้ ส, ไวสำหรับให้เรามาบนบานขอสิ่งต่างๆถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็จะเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่า เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาลเจ้าเราไม่สามารถที่จะบนบานขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธศาสนาได้เพราะนี่ไม่ใช่เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นส่งเน้นไปอยู่ที่เหตุและผลเหตุก็คือการกระทาผลที่จะตามมาก็คือความสุขความเจริญ ยือความทุกข์ความเสื่อมเสียจะตามมาขึ้นอยู่กับเหตุที่คือการกระทำนั้นว่าเป็นเหตุที่ดีหรือเป็นเหตุที่ไม่ดีถ้าทำความดีความสุขและความเจริญย่อมตามมาถ้าทำความชั่วทำบาปทำกรรมความทุกข์ความหายนะความเสื่อมเสียย่อมตามมานี่เป็นหลักที่พระพุทธศาสนา สอนไว้ตลอดเวลานับตั้งแต่ครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่พระพระพระปัญจวัคคีทั้งห้านี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเราจึงควรจะทําเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราจะได้ปฏิบัติตนของเราให้ถูกต้อง แล้วผลที่เราปรารถนากันย่อมเป็นของเราอย่างแน่นอนดังนั้นเวลาที่เรามาวัดขอให้เราคำนึงเสมอว่าเรามาเพื่อมาศึกษาเหมือนกับมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือเวลามาวัดควรที่จะสนใจกับการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการศึกษาเราเรียนนั่นเองถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรม เราจะไม่มีปัญญาที่จะนำพาเราไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เราทุกคนปรารถนานั่นก็คือความสุขความเจริญความเป็นสิริ ม, มงคลความปราสจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเกิดจากการปฏิบัติของเราทั้งสิ้น แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติไปแบบผิดผิดถูกถูกและผลที่จะตามมาก็ย่อมเป็นผลแบบรุ่มๆุ่ ม, มดอนๆมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีความเจริญบ้างมีความเสื่อมเสียบ้างชีวิตเราเลยไม่เป็นไปดางที่เราปรารถนากันเพราะว่าเราขาดการศึกษานั่นเอง เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ที่จะหาความรู้จากพระพุทธศาสนากันไม่เหมือนกับในสมัยพระพุทธกาลนั้นจะมีผู้ที่สนใจศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากจึงปรากฏมีผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากสำเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนา ถ้าเปรียบเทียบกับวิชาทางโลกก็คือได้สํารลบได้สําเร็จปิญญาตรีโทเอกเป็นจํานวนมากแต่ในสมัยนี้เราจะไม่ค่อยมีได้ยินข่าวว่าพุทธศาสนิกชนคนนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิฎาคาบะเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอารหันต์บ้างเพราะอะไรก็เพราะว่า ทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวพุทธเรานี้ขาดความสนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักเรียนก็แบบว่าไม่ค่อยไปโรงเรียนกันสมัครสมัครเรียนหนังสือแต่ไม่ไปโรงเรียนกันอาจจะไปอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งอย่างนี้เมื่อถึงเวลาที่สอบก็สอบไม่ผ่านพวกเราก็เป็นอย่างนั้น เพราะเหตุใดถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงกำหนดทรงกาหนดเวลาเรียนหนังสือให้พวกเราอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราจะต้องฟังเทศฟังธรรมกันอย่างอย่างน้อยหนึ่งครั้งคือต้องมาวัดท่านถึงได้กำหนดวันพระขึ้นไว้ทุกหกข้ามแปดข้ามหรือสิบห้าข้าวันแปดข้ามสิบห้าข้ามสิบสี่ข้ามจะต้องมาวัดกัน เพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมและมาฟังเทศฟังธรรมศึกษาหาความรู้ให้กับเราเพื่อเราจะได้เอาความรู้นี้เป็นเครื่องนําพาชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีที่งามแต่ถ้าพวกเราปีหนึ่งเข้าวัดกันเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งแล้วก็เปรียบเหมือนกับนักเรียนที่หนีโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนกันเมื่อไม่ไปโรงเรียนเรียนหนังสือเมื่อถึงเวลาสอบ ก็จะสอบไม่ผ่านก็เลยไม่ได้รับกริญญากันในสมัยนี้เราจึงไม่ค่อยได้ยินได้เห็นหรือได้ได้พบกับผู้ที่บรรลุทำในทางพระพุทธศาสนากันเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เลยว่าคนนั้นเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าคนนี้เป็นพระสกีดาคามีหรือเปล่าเป็นพระอนาคามีหรือเปล่าหรือเป็นพาาาระอรหันต์กันหรือเปล่านั่นก็เป็นเพราะว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่นั้น เกิดความเข้าใจผิดคือมีความหลงผิดนั่นเองไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ให้ความรู้และเราการที่แกเราจะต้องศึกษาเพื่อที่จะได้รับความรู้มาอีกทอดหนึ่งแต่เรากลับไปคิดว่าศาสนานั้นเป็นเหมือนกับศาลเจ้าไว้ให้สำหรับเรากราบไหว้จุบทูปเทียนบูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบนบาน ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เลยไม่ค่อยได้ในสิ่งที่เราปรารถนากันเท่าไหร่นะก็เป็นเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านไม่ใช่เป็นผู้ที่เสกเป็นผู้เป่าบรรดาลสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้กับเราได้นั่นเองพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระบรมศาสดาก็ก็คือเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นเอง หลังจากที่พระพุทธเจ้าเป็นได้ประกาศพระธรรมคำสอนแล้วมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมนำเอาไปปฏิบัติตามจนบรรลุธรรมสำเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนาบุคคลหลังนั้นก็กลายเป็นอาจารย์ขึ้นมาเราเรียกท่านเหล่านี้ว่าเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นพระอริ ย, ส, รยสงฆ์สาวกมีอยู่สี่ขั้นด้วยกัน คือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีอนาคามีและขั้นอรหังนี่ก็เปรียบเหมือนกับปริญญาทางโลกก็คือปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเมื่อท่านจบแล้วท่านก็มาทําหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ช่วยสั่งสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปพระธรรมคำสอนก็คือวิชา ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายสั่งสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่คือความหมายของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธรธรรมและพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ให้ความรู้กับเราหน้าที่ของเราจึงเป็นผู้ที่จะต้องศึกษาเราต้องสนใจต้องฟังอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราควรจะหาโอกาสฟังเทศฟังธรรม ถ้ามาที่วัดได้ก็ดีถ้ามาที่วัดไม่ได้ก็ให้อ่านหนังสือธรรมะที่เรามีอยู่ที่บ้านก็ได้หรือฟังเทปธรรมะก็ได้หรือจะเปิดวิทยุฟังก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนธรรมะผ่านทางวิทยุตามสถานีต่างๆถ้าเราได้ศึกษาเราเรียนแล้ว ผลประโยชน์ที่เราจะต้องการคือความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลก็จะตามมาต่อไปดังนั้นขอให้เราจงขวนขวายเข้าหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญาคือความรู้ทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามเกิดได้อยู่สามลักษณะด้วยกันปัญญา ลักษณะแรกก็คือเกิดจากการได้ยินได้ฟังที่เรียกว่าสุตมยะปัญญาอย่างเช่นวันนี้ท่านทั้งหลายมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วก็ได้ข้อคิดต่างๆไปอย่างนี้เรียกว่าสุตมยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาลักษณะที่สองก็เกิดจากการ คิดไตรตรองค่ายควรเรียกว่าจินตามายาปัญญาเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมาก่อนแต่เราเป็นคนที่ชอบคิดเวลาเราเห็นอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็นํามาคิดพิจารณาและเราก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาได้อย่างเช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราไม่รักไปเรากลับไม่เกิดความสูนเศร้าสวกเสียใจเรากลับเกิดความดีอกดีใจไปดังนั้นผลที่เกิดขึ้นในใจเราระหว่างการสูญเสียสิ่งที่รักกับสิ่งที่เราไม่รักนั้นก็อยู่ที่ตรงที่ใจของเราไปมีความรู้สึกกับสิ่งนั้นๆถ้าสิ่งนั้นเราไม่มีความรู้สึกยินดีด้วย เวลาสิ่งนั้นเกิดสูญเสียไปเราก็ไม่เกิดความเสียใจแต่ถ้าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเกิดสูญเสียไปเราก็เกิดความทุกเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาถ้าเราใช้สติปัญญาแยกแยะแล้วเราก็จะเห็นว่าโทษของความเศร้าโศกเสียใจหรือความทุกนั้นก็เกิดจากความยินดี เกิดจากความรักในสิ่งนั้นๆนั่นเองถ้าเราไม่ต้องการที่จะเกิดความเศร้าสศกเสียใจในเวลาที่เราจะต้องพลาดพลาดจากสิ่งที่สิ่งสิ่งต่างๆเราก็จะต้องอย่าไปรักสิ่งนั้นๆนนเราไม่รักสิ่งนั้นๆได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้แล้วเรายังอยู่กับสิ่งนั้นๆได้เหมือนเดิมเพียงแต่เราต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่กับเรานั้น ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้เหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้าในยามเย็นก็จะต้องรับขอบฟ้าไปหายไปแต่เราไม่ร้องผมร้องไห้เวลาที่พระอาทิตย์หายจากขอบฟ้าไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเรายอมรับ ความจริงอันนี้เรายอมรับว่าพาทิตยนั้นขึ้นมาแล้วในที่สุดก็จะต้องตกรับขอบฟ้าไปเราก็ไม่ไปยินดีไปอยากที่จะให้พาทิตยอยู่กับเราไปตลอดทั้งตลอดเวลาฉันใดสิ่งต่างๆก็เป็นแบบนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เรา มีอยู่ด้วยด้วยครอบครองอยู่นั้นไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องจากเราไปถ้าเราปล่อยวางคือเราอย่าไปยึดอย่าไปติดนะเราอย่าไปยินดีจนเกินไปเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อสิ่งนั้นจากเราไปเราก็จะไม่เศร้าสกเสียใจนี่เรียกว่าจินตามา ย, ยาปัญญา คือปัญญาที่เกิดจากการคิดคิดนึกคิดไตรตรองดูหาเหตุหาผลปัญญาลักษณะที่สรเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจิตภาวนามีการนั่งสมาธิเจริญวิปัสนาปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาขั้นที่สามารถที่จะทำให้จิต นั้นหลุดพ้นจากความทุกข์กได้อย่างถาวรเพราะเป็นปัญญาที่เข้าไปขุดคุยและทำลายต้นเหตุของความทุกข์ที่ฝังลึกอยู่ในใจของเรานั่นก็คืออวิชชาความไม่รู้จริงความหลงซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความยินดีเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าเรามีปัญญา ในระดับภาวนามยะปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดเป็นสิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเพราะว่าถึงแม้ว่าในขณะที่เรามีสิ่งนั้นอยู่เราได้รับความสุขจากสิ่งนั้นแต่เมื่อสิ่งนั้นหมดไป ความทุกข์ก็จะต้องตามมาเพราะเราอาศัยสิ่งนั้นให้ความสุขกับเราเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราแต่ถ้าเราเข้าใจหลังจากที่เราได้ปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนาแล้วเราจะเห็นอย่างแท้จริงเลยว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นในโลก น, นี้นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถ อาศัยให้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราได้แล้วเราจะเห็นด้วยว่าความสุขที่แท้จริงนั้นความจริงมีอยู่ในตัวของเราแล้วมีอยู่ในใจของเราแล้วนั่นก็คือใจที่ไม่ยึดไม่ติดใจที่ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิน้นใจนี่แหละเป็นใจที่จะมีความสุขเต็มเต็มเปี่ยมอยู่ในใจของของตัวของใจแล้วเพียงแต่ว่าใจ ถูกเอาวิชาความไม่รู้คราความเป็นจริงข้อนี้หลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกหาจากสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงใจก็เลยไม่เคยประสบกับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าได้ศึกษาแล้วนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ใช้ปัญญา วิเคราะห์ดูสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับใจนั้นแทนที่จะให้ความสุขกลับมาสร้างความทุกข์แล้วก็จะเห็นว่าไม่มีความสุขอันไหนจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเมื่อใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจจะสงบใจจะนิ่งใจจะเย็น เพราะใจไม่ไปกังวลกับสิ่งต่างๆเวลาที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งต่างๆใจของเราจะมีคอยความห่วงมีความกังวลคอยคอยคิดอยู่ด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบนั้นยังอยู่กับเราหรือเปล่าแล้วจะอยู่กับเราไปได้นานสักแค่ไหนเรื่องเหล่านี้นะั้นล้วนเป็นการสร้างความเครียดให้กับใจของเราสร้างความวิตกกังวล ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สงบไม่นิ่งเพราะความหลงนั่นเองแต่ถ้าเราได้ลองมาปฏิบัติธรรมแล้วแล้วจิตของเราเริ่มก้าวสู่ความสงบเราจะเริ่มเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตเราแล้วเราจะเริ่มเข้าใจถึงโทษในการที่เราไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆภายนอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น ล้วนเป็นโทษทั้งสิ้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงเราอาจจะมีความสุขในขณะที่เราได้สัมผัสได้อยู่ใกล้ชิดสิ่งเหล่านั้นแต่เราแต่เราหารู้ไมมว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดไปได้ตลอดเวลาเพราะโดยธรรมชาติของตัวเราเองก็ดีหรือของสิ่งต่างๆก็ดีนั้นเป็นของไม่เที่ยง คือมีอายุไขไม่อยู่ไปตลอดในชีวิตของเรานี้เราอยู่ไปได้ไม่กี่ปีเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็จากเขาไปก่อนนี่เป็นสัจธรรมความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาเกิดการจะต้องพลาดลาดจากกันเราก็จะต้องร้องหม่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราได้ฝึก จิตของเราปฏิบัติจิตของเราให้ปล่อยวางให้ให้ให้มีความพอใจกับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วต่อไปเราก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเวลาเราไม่ยึดไม่ติดกับอะไรแล้วเวลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรอววรเพราะว่าเรารู้ด้วยปัญญาแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆได้ไปตลอดหรือสิ่งต่างๆไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันไปแต่ถ้าเรามีปัญญาเราไม่ยึดไม่ติดการจากกันก็จะเป็นการจากกันแบบธรรมดาจากกันแบบสบายๆไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีการกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์ ได้ตกลับขอบฟ้าไปเราก็ไม่ได้มานั่งร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะใจของเราเข้าใจถึงธรรมชาติของพระอาทิตย์ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นฉันใดถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอามาคิดอยู่สม่ำเสมอแล้วนำเอามาปฏิบัติกับใจของเราแล้วเราก็จะสามารถทําใจ ให้ปล่อยวางได้เมื่อเราปล่อยวางแล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนกับอะไรที่จะต้องจากเราไปแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ต้องมีอะไรเลยเราอยากจะมีอะไรก็มีได้คือในขณะนี้เรามีอะไรเราก็มีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าทัศนคติคือปัญญาความรู้ของใจเรานั้นเปลี่ยนไป เมื่อก่อนนี้เรารู้แบบหลงเรารู้แบบยึดรู้แบบติดคือเราอยากจะให้สิ่งต่างๆที่เรารักนั้นให้อยู่กับเราไปตลอดแต่เดี๋ยวนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรู้แบบนั้นเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเมื่อเราเปลี่ยนทัศนคติแล้วเราก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ เราก็ยังปฏิบัติกับสิ่งนั้นอยู่เหมือนเดิมคือเราก็ยังมีความเมตตามีความการุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการ ม, มีการดูแลรักษากันไปตามปกติตามสติกำลังปัญญาความสามารถของเราจนกว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากกันไปเราก็ต้องเราก็ยอมรับความจริงนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วใจของเราก็จะไม่เศร้าโศก เสียใจกับอะไรนี่แหละคืออนิสง์ของการได้เข้ามาพบกับพระพุทธศาสนาเรามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่แท้จริงของชีวิตนั่นเองเมื่อก่อนนี้ถ้าเรายังไม่ได้เข้าพบพระศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วเราก็จะหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆสิ่งที่เรารักที่เราชอบเราก็จะหวงเราก็จะหวง แต่เดี๋ยวนี้เมื่อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมคําสอนของพุทธเจ้าแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วละว่าความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนเกิดจากความหลงผิดความเห็นผิดเป็นชอบความไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นอีกต่อไป เพราะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพที่จะต้องเกิดขึ้นคือไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดานี่แหละคือปัญญาทางพุทธศาสนาคือการให้รู้ถึงความเป็นความเป็นของไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดเราจึงต้องพยายามศึกษา หาความรู้เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราเข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราไม่ฟังแล้วหลังจากที่เราออกจากวัดไปเราก็จะไปทํากิจการการงานต่างๆใจของเราก็ต้องคิดเรื่องราวต่างๆเมื่อคิดไปแล้วเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังในขณะที่เราอยู่ในศาลานี้ ก็จะค่อยๆจางไปหายไปและจนกระทั่งในที่สุดก็จะลืมไปดังนั้นเราจึงต้องกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆนอกจากการฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเรายังต้องนําสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปคิดต่อไปเตือนสติไว้ไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็แล้วก็แล้วกันไปแต่เมื่อเราออกจากวัดไปแล้วเวลาเราเห็นสิ่งใดก็ตามถ้าเกิดความยินดี เกิดความชอบอยากจะได้เราก็ควรที่จะสอนใจเราว่าสิ่งที่เราจะเอามานี้ก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดนะเอามาก็เอามาได้แต่เวลาได้มาก็ดีใจหรอกแต่เวลาเสียไปเรายังจะดีใจเหมือนกับขณะที่เราได้มาหรือเปล่าถ้าเราเสียไปแล้วเราจะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจเราก็ถ้าไม่จาเป็นจริงๆก็อย่าไปเอามาไม่ดีคุณ่าวเลยอย่างนี้เป็นต้น เราต้องใช้มาใช้ความคิดเหล่านี้มาแทรกกับการใช้ชีวิตของเราในในยามปกติขอให้เราอย่าลืมขอให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของชั่วคราวไม่ไม่ใช่เป็นของที่จะอยู่กับเราไปอย่างถาวร น, นี่ก็คือการการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเวลาที่เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม พระเทศที่เราได้ยินได้ฟังเราก็เอามาคิดเอามาใช้กับเราในชีวิตประจําวันแล้วถ้าเรามีโอกาสว่างเราไม่มีภารกิจการงานก็ให้เรามาทำความสงบกับจิตใจของเราเพราะว่าเราเพราะว่าเวลาที่จิตของเราสงบนั้นใจของเราจะเย็นใจของเราจะมีความสุขแล้วใจของเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การได้มาซึ่งสิ่งของต่างๆ แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นมันได้มาจากความสงบของจิตจิตใจต่างหาก <Yeah. S 1> เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วใจของเราก็จะเกิดปัญญาเกิดความรู้ขึ้นมาว่า <Yeah. S 1> การที่เรามีอะไรมากๆนั้นแทนที่จะมีความสุขเรากลับมีความทุกข์ยิ่งมีอะไรมาก mm hmm. ก็ยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเพราะจะมีความห่วงมีความอะไรอาวร mm hmm. กับเรื่องราวต่างๆมากขึ้นไปนั่นเอง ถ้ามีน้อยความทุกข์ก็น้อยเช่นถ้าเรามีลูกคนเดียวเราก็ทุกข์ทุกข์กับลูกเพียงคนเดียวถ้าเรามีลูกสิบคนเราก็ต้องมีทุกข์กับลูกถึงสิบคนด้วยกันความทุกข์มันก็เพิ่มไปทวีคูณเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้จักความจริงว่าแม้กระทั่งลูกของเราเราก็ต้องจากเขาไปหรือเขาก็ต้องจากเราไปในวันหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วแล้วเราปล่อยวาง เราไม่ไปยึดไปติดกับเขาเขาก็อยู่กับเราก็ดีเขาจะจากเราไปก็ดีถ้าเราทำทำใจได้แล้วถึงแม้เราจะมีมากมีน้อยเราก็จะไม่ทุกข์เพราะว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความไม่รู้จริงและความทุกข์จะดับได้ก็เกิดจากความรู้จริงนั่นก็คือความรู้ทางพุทธศาสนาดังที่ท่านได้มาได้ยินได้ฟังกันวันนี้นั่นเอง นี่แหละคือความรู้ที่จริงเพราะเป็นความรู้ที่เป็นไปตามหลักความเป็นจริงเป็นความรู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความจริงนั่นเองส่วนความคิดของพวกเราส่วนใหญ่นั้นจะเป็นความคิดที่สวนกระแสของความจริงเช่นคิดว่าอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่กับเราไปตลอดนี่เป็นความคิดที่ผิด เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้พยายามมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการสูญสลายมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหมดสิ้นไปจากเราเราก็ต้องจากเขาไปในที่สุดถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆแล้วเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดแล้ว ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความกังวลใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาจะมีกันแต่เราก็ยังมีกันอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้อบรมสอนใจเราเราไม่ได้ดูใจของเราในขณะที่ใจของเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เราไม่ค่อยรู้กันเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบเราก็เกิดความอยากลึกๆขึ้นมาในใจแล้วอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับเราเป น, นานๆ นี่เป็นนี่ก็เป็นความคิดที่ผิดแล้วเป็นความคิดที่ตรงกัดข้ามกับความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดอยู่กับเราไปได้นานนั่นเองเราจึงต้องมาเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่โดยเอาความคิดหรือความรู้ของพระเจ้ามาใส่ใจเรามาสอนใจเราพยายามเตือนสติเราอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นเป็นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่ควรไปยึดไปติด และเมื่อเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะมีแต่ความสุข